เจาะซ้ายเจาะขวายุงเราเห็นความอดทนของเราเราเห็นความอุตสาหพยายามถ้าใครสังเกตให้ใหละเอียดนะจะเห็นเห็นเห็นความยากเห็นไหมใครได้สังเกตหเห็นความยากไหม เวลามันปวดมันปวดขึ้นมาก็อยากอยากไม่ปวดเวลายุงเจาะเข้ามาคันๆมันอยากไม่คันความอยากความอยากมันแซรกเข้ามาอันนั้นแหละคือต้นต่อต้นต่อของสมุทยัทยประเทศ เป็นเจ้าของของของมันแหละเป็นเจ้าของของอัตภาพร่างกายที่มันยึดมันถืออย่างเหนียวแน่นพอเรานั่งไปเราไปเจอแบบนี้เราเห็นเราจะเห็นเจ้าของมันโผล่มารับนั่นแหละเจ้าของมาแหละตันหาความอยากอยากเจ็บอยากไม่เจ็บมันคันอยากไม่คันอมันหงุดหงิดอยากไม่หงุดงิดดู เราพิจารณาเราทําใจให้ละเอียดละเอียดจนเลยนี้ไปจนเลยนี้ไปให้เห็นเจ็บก็สับทะไบเจ็บดูไปอาการที่มันเจ็บคันก็นสับตว่าคันดูไปอาการที่มันคันตัวเจ้าสัญญามันคอยไปสอดแทรกตัวเจ้าสัญญาเนี่ยมันคอยไปสอดแทรกแทรกหน้าแทรกหลังแทรกซ้ายแทรกขวา วาดอยู่นั่นแหละสัหยหนึ่งเราหลงเพลิบหลงไปกับมันเพลเินไปกับมันละถูกมันดึงมันลากไปและ้ะถูกนึกคิดปรุงเลื่อยเปลยไปอย่างอื่นแล้ะนอกรูนอ ก, ก, นอกทางไปแล้วอารมณ์ปัจจุบันไม่เห็นอารมณ์พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธปัจจุบันไม่เห็นมันจะคันก็ตามจะเจ็บก็ตามจะปวดแสบ ปวดกนปวดองอเข่าปวดตรงไหนก็ช่างมันแหละเราไม่ทิ้งคําบริกรรมไม่ทิ้งคาบริกรรมสักหน่อยมันก็ลืมข้ามมันเองหรือไม่ถ้าเราจะอยากจะพิจรารณาแล้วก็ทิ้งคําบริกรรมเราก็มาอยู่กับไอ้ที่ปวด่ะดูอาการที่มันปวดอะไรปวดดูอาการที่มันปวดปวดที่กายกายตรงไห น, นดูที่อาการของมัน ไม่ให้มันมันแทรกไม่ให้มันแทรกมาว่าอยากหายอยากไม่ปวดอยากไม่เจ็บอยากไม่คันบางทีมันก็พุ่มไปโอ้ทำไมนานเหลือเกินนานเหลือเกินเหมือนกับเหมือนกับไม่รู้ต้งกี่วันกี่เดือนไม่รู้นั่งสิบยี่สิบนาทีสามสิบนาทีเมื่อกี้นี่ประมาณเท่าไหร่ สี่สิบหรือห้าสิบนาทีเมื่อกี้นี่เราดังเมื่อกี้นี่เหมือนกับเป็นกับๆมันนานเพราะอะไรเพราะมันไม่ถูกเจริญกับจิตอ่ามันไม่ถูกเจริญกับจิตจิตมันชอบปรุงชอบนึกชอบคิดตามใจชอบแต่เราเอามันมัดเลยมัดมือชกเลยมัดมือแล้วก็ชกทำให้มันกระดุกลิกไปนอนไปนี่แหละขยับไปขยับมาขยับมาขยับไป ย้ายไปย้ายมาย้ายมาย้ายไปไม่ไม่ไม่ให้ตัวอัตตามันโผล่อัตตาอัตตามันโผล่ขึ้นมาว่าเราเจ็บว่าเราปวดเราแสบเราคันเราทุกข์เราทรมานเราอะไรสกปรกแหละเนี่ยถ้าเราสังเกตเละเอียดๆเราจะเห็นแบบนี้ทีนี้เราเราลุกวิธีเราลุกวิธีปฏิบัติมันก็จะสงบระ ง, งับไปของมัน อุปาทานที่มันเคยยึดมันก็ค่อยๆวางของมันไปยึดว่าเราเจ็บยึดว่าเราคั น, นยึดว่าเราอะไรต่อะไรพอเราเริ่มรู้ทันมันหนักเข้าหนักเข้ามากเข้ามากเข้ามันก็ปล่อยอุปาทานก็นปล่อยเมือ่ออปาทานปล่อยเห็นอะไรเห็นเห็นแต่สัจจะเห็นแต่สัจจะสัจธรรมเห็นแต่ความจริงเห็นแต่สัจธรรมคือความจริงเจ็บ แสบปวดก็คือสักทว่าเจ็บสักทว่าแสบสักทว่าปวดสักทว่าอาการนั้นๆไม่ต้องให้คําสมมติมันมาขึ้นมาเละสมมุติว่าเจ็บสมมติว่าปวดก็ไม่มันขึ้นมาให้เห็นสักทว่าอาการนั้นๆอาการคันอาการปวดปวดแสบปวดร้อนตรงนั้นตรงนี้หรือนึกปรุงฟงไป น่อจะเราระ ง, งับไม่ได้ไม่ทันเขาเรียกว่ารู้ไม่ทันรู้ไม่ทันรู้ไม่เท่ารู้เท่าที่มันมีมันเป็นเนี่ยท่านเรียก ว, ว่ารู้เท่ารู้ทันรู้เท่ารู้ทันมีสติกากับอยู่มันก็ไม่พาพลุกพึกรุงคิดฟุ้งตะเลิดเปิดเปิงไปจิตก็จะเริ่มสงบ จิตเริ่มสงบจิตยอมรับสภาพตามที่มันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงความสงบความสงบไม่ใช่สงบหายเงียบนะเราใครว่าสมาถะสงบหายเงียบลองดูที่นะใครว่า ส, สมาถะไม่มีปัญญาเอาลองดูเราเดินเราก็ได้รับความแนบแน่น เดินนานได้รับความแนบแน่นเรื่องจากว่าเราเราป้อนอาหารให้เขาป้อนอาหารคือสุติสัมปชัญญะนี่แหละป้อนเข้าไปป้อนเข้าไปป้อนเขาไปอัดเขาไปอัดเขาไปพุโธทโธทโธโธทโธนั่งเราก็อัดอ่เราเดินเราก็ได้รับความแนบแน่นเดินจงกรมอะี่เรานั่งภาวนาเราก็ได้รับความแนบแน่นแต่ความแนบแน่นเนี่ยต้องอยู่นะถ้าไม่อยู่นี่จะไม่แนบแน่นล่ะ เดี๋ยวมนโผล่ไปนู่นเดี๋ยวก็โผล่ไปนี้เดี๋ยวก็โผล่ไปนู่นเดี๋ยวโผล่ไปนี่นนนคือเรารู้ไม่ทันมันถ้ารู้ทันถ้ารู้เท่าแล้วมันจะทันรู้เท่าหมายความว่ารู้ว่าเจ็บรู้ว่าปวดรู้ว่าแสบอเป็นแต่เพียงอาการปรากฏเท่า น, นั้นแหละไม่ไม่ปล่อยความคิดให้ใ ห, ให้ให้ให้เพิ่มเติมให้เลยเถิดไปรู้เท่ารู้ทัน ทันทันถ้าไม่ทันมันก็ปรุงต่อไปปรุงต่อไปไม่จบยืดไปหนักหนั ก, น, กนักเาก็งดหงิดถ้าเรานั่งโดยลําพังเนี่ยเนี่ยแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยบางคนเนี่ยถ้าถ้านั่งโดยลําพังเนี่ยป่านี้เราอาจจะรื้อบรรลังไปตั้งนานแล้วนะเพราะทนต่อความรบเร้าต่อ สภาพที่หงุดหงิดภายในจิตไม่ได้เนื่องจากว่าจิตมันไม่ยอมรับภาวะความมีความเป็นต้องยอมรับยอมรับกายยอมรับเวทนาเวทนาเกิดและเกิดที่กายใจรับทราบอเวทนาเกิดที่กายใจรับทราบใจรับทราบกายใจรับทราบเวทนา รู้ไม่ทันรู้ไม่ทันแล้รือแล้วเรือบรรลังไปแล้วด้วยเหตุที่เรานั่งเป็นหมู่ก็เลยเป็นเหตุว่าเอเขาก็ทนได้เราก็ต้องทนได้จะขยับจะเขยื่อนจะอะไรก็ต้องระมัดระวังบางทีจะปล่อยให้หลับเครื่องเคลื่อนไปแล้วไม่ก็ลับปล่อยโรวจะงายงายท้องอายความละอาย ก็ช่วยเราได้ความละอายยิริดความละอายละอายหมู่ก็เป็นเหตุให้ลายใจตัวเองลายใจตัวเองเป็นเหตุให้ลายหมู่เลยเป็นเหตุให้เราต้องบึกต้องบึนบึกต้องบึนต้องอดต้องทนต้องยิงยิงในศักดิ์ศรี อยู่ในศักดิ์ีต้องมาณในศักดิ์ีคือมันมันอยู่ในหน้าที่ที่เราจะต้องยอมรับถ้าเราไม่ยอมรับเราก็เสียเสียศักดิ์เสียส ก, กับตัวเองตรงนี้ตอนนี้ถ้าเราทำไปอยู่คนเดียวนั่งคนเดียวถ้าเราทําอย่างนี้ได้มันก็เป็นเหตุทําให้เราเนี่ย เพิ่มความอดเพิ่มความทนได้อย่างดีทิฐิมานะเนี่ยมานะท่านเรียกว่ามีมานะมุมานะเคยจำคำเขาว่ามานะกษัตริย์มานะกษัต ร, ตริย์สมัยสมัยโบ ร, ราณกษัตริย์นี่ต้องเป็นนักรบจากขี้คลาดขนาดไหนก็ตามกษัตริย์นี่ จะต้องในเมื่อเป็นในเมื่อเป็นกษนะัตริย์อะไหนจะต้องแสดงความอาจหารกล้าหาันอะไรขี้กลาดขลาดตาขาวขนาดไหนก็ตามเขาเรียกว่าต้องมานะทําให้สมกับตําแหน่งมันเป็นอย่างนั้นเลยนี่เราพอเวลาเราเข้าที่เราก็นึกถึงตรง น, นี้ทําให้เรามีเขาเรียกว่าโมฆะ ม, มานะทําให้เกิดน้ําอดน้ําทนทำให้เกิดสติ รู้จับพิจารณาแก้ไขรู้จับเอาตัวรอดในสถานการณ์ทุกระยะที่มันเกิดขึ้นในกายในจิตต่อไปทำบัดสวดมนต์ยักกิริยาที่เรากราบเราไหวเราสวดเรานั่งภาวนาที่เราทำด้วยกันทุกๆคนเนี่ย แต่ละอย่างแต่ละอย่างล้วนเป็นวิธีขัดเกลวตัวของเราขัดเกลวใจเรานั่นแหละล้วนเป็นวิธีขัดเกลว <c oughs> เพราะการทำทั้งหมดนี้เป็นการทำเพื่อตล่อมมาที่ใจนั่งภาวนา้จิ้มปฏิจโดยตรงเลยนะนะใจมันดิ้นเดาเดเดาเดามเมื่อกี้นะี่เรานั่งภาวนาทีนี้เรามาทำวัดสวนมนต์ทำให้ เรามีความงามทางวาจาเขาเรียกว่าวาจางามมันงามเพราะเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสวดคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะทั้งหมดแปลไปแล้วเป็นธรรมะทั้งหมดเรามาสวดและเราก็สวดตามที่เราจำได้ความจำมันเป็นความคิดที่เป็นระเบียบความจำที่เราจำได้นี่นะ มันเป็นความคิดที่เป็นระเบียบไม่ใช่เป็นความคิดที่สูงสงต่ำตยาวยาสั้นสั้นขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวหยาบเดี๋ยวละเอียดเดี๋ยวตลกเดี๋ยวขะนองเดี๋ยวอะไรไปตามเรื่องไม่ใช่อันนี้เป็นคําที่เป็นภาษ า, ษาธรรมะทั้งนั้นถ้าเราจําไม่ได้เราก็ระลึกไม่ออกไม่รู้จะสวดอะไรมันเป็นการระลึกเอาสัญญามาสวด มันเป็นการทำให้วาจางงามแต่ว่ามันก็ได้ผลไปที่ใจทำให้ใจของเราเนี่ยได้รับความสงบได้รับความเยือกเย็นมันเป็นการขัดมันเป็นการเกาอย่างนี้เขาเรียกว่าบุญยากิริยาคือกิริยาให้เกิดบุญเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องสงสัยแหละบุญบุญบุญไม่มีตัวไม่มีตนดอกบุญ บุญคือความดีของกายของวายจาของใจนี่แหละที่ทราเรียกว่าบุญบุญปุญญะปุญ ญ, ญ, ญะภาษาบาลีแต่แปลเป็นภาษาไทยก็คือความดีความดีของกายกายเป็นไปตามศีลตามธรรมความดีของวายจาวายจาเป็นไปตามศีลตามธรรมความดีของใจใจเป็นศีลใจเป็นธรรมมันเป็นความดีทั้งหมด ใครสำรวจรมัดระวังประกอบบุญกิริยาแบบนี้บ่อยครั้งคนนั้นก็มีบุญเต็มเขินขึ้นเร็วมีบุญเต็มขึ้นเต็มขึ้นเต็มขึ้นยันภาวนาจิตก็สงบเ ย, เยือยกเย็นอย่างรวดเร็วยันพิจารณาปัญญาก็เกิดปัญญารอบรู้จิตของคนเราเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับ ถ้าเราไม่พิจารณาให้เกิดปัญญานะมันไม่ต่างอะไรกับมีดขึ้นสนิมมันแหละมันก็ขึ้นอยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าเราไปถูถูถูถูถูถูสนิมก็เริ่มออกไอ้มีดที่เคยทูทบๆนี่ก็เลยเกิดคมขึ้นมาสติปัญญาของเราก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเรามานึกมาคิดมาพิจารณาถอยหน้าถอยหลังใบครั้งเข้าทําให้เกิดปัญญาทําให้เกิดความรอบรู้ทําให้เกิดทําให้เกิดช่องเห็นช่องเห็นโอกาส เห็นเหตุเห็นผลเห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นช่องเห็นโอกาสเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาปัญญาเนี่เหมือนแสงสว่างแสงสว่างก็เหมือนกเทียนสว่างนี่ตอนนี้พอมันสว่างขึ้นมาความมืดก็หายลองดับเทียนทั้งหมดเนี่ยก็มืดตึบเดียวนี้แหละใจคนที่ไม่มีปัญญามันก็มืดมืดทึบๆนั่นแหละ คิดอะไรก็ไม่ออกมองเหตุมองปัจจัยอะไรก็ไม่ออกแก้ไขปัญหาพื้นพื้นๆื้นทำมาหากินก็ยังคิดไม่ออกแก้ไขไม่ออกไม่ต้องไปพูดถึงปัญหาเรื่องที่ละเอียดแยบยนต์เข้ามาที่จิตเรื่องของกิเลสแทรกสิงมากับจิตเนีเ่ยนี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ละเอียดมันคิดไม่ออกทำให้มีปัญญา เพราะฉะนั้นปัญญาอยู่เฉยๆจะให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นมาได้เหมือนกับมีดตุ้งท่นอยู่เฉยๆใช่มันคมขึ้นมาเองคมขึ้นมาไม่ได้อกต้องออกแรงถูฝนเข้าไปฝนฝนฝนฝนฝนดึงเข้าดึงออกดึงเข้าดึงออกขูดไปขูดมาขูดไปขูดมาสมัยหนึ่งหินกับเหล็กมันสัมผัสกันมันก็กัดกันหลย เห็นว่ามันกินเหล็กเห็นมันกินเหล็กมันก็กินในส่วนที่ทู่วๆมันก็หมดไปหมดไปหมดไปมันก็ทําให้เกิดเป็นเป็นคมขึ้นมาเกิดเป็นคมขึ้นมาเมื่อคมขึ้นมาแล้วเอาไปตัดเอาไปฟันเอาไปอะไรก็สะดวกฉับเดี๋ยวก็ขาดจับเดียวก็ขา ด, ด, ขาดปัญญาในใจของคนเราถ้าเราไม่ทํามันก็ไม่เกิดหรอก ฟังดูเถิท่านว่าสุตามยปัญญาจินตามยะปัญญาภาวนามยะปัญญาสุตาสุตะสุตะแปลว่าได้ยินได้ฟังสุตามยะปัญญาได้ได้ยินได้ฟังคนประสิทธ์จากการได้ยินได้ฟังแล้วก็ปัญญาขั้นสุตะก็เกิดขึ้นไม่ได้ปัญญาขั้นสุตะสุตะอตม สุตามะยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการฟังคนที่เขาพูดอะไรต่ออะไรให้เราฟังเนี่ยเขาจะพูดไปแง่ไหนแง่ไหนแง่ไหนเนี่ยเราไม่เคยได้ยินเราก็ได้ยินสิ่งที่เราเคยได้ยินแล้วเราก็เข้าใจยิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งเข้าใจเพิ่มขึ้นทําให้ทําให้จับใจด้วยเหตุด้วยผลที่พูดที่คุยแล้วก็ได้ คติเอาไปประพฤติปฏิบัติแน่มีเป็นความรู้เขาเรียกว่าเป็นปรปัจจัยข้างนอกส่งมาที่ข้างในคือใจของเรานี่สุดตามยะปัญญาเพราะฉะนั้นจึงมีการเรียนการศึกษากันแล้วดูที่การเรียนยิ่งใหญ่ขนาดไหนเรียนตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ยี่สิบกว่าปีอะไปจนถึงกว่าจะจบปียาตรีเท่าไหร่ล่ะ ไปจบปัญญาเอกอะไรสามสิบปียีิบห้าปีอย่างเร็วเรียนเรียนเรียนเรียนเอาความรู้ทั้งหลายทั้งปวงเรียนรู้เรื่องนั้นเรียนรู้เรื่องนี้เรียนจากดูหนังสือตำราตำราดูแล้วก็มานึกมาคิดมานึกมาคิดพิจารณาใ ค, คลโครนเหตุผลอันนี้เขาเรียกว่าจินตาจินตาจินตามียะปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการคิดเชนอย่างเาพูดให้ฟังหน่อยเราก็เอาคําพูด ของเขามมนึกมาคิดทําให้เราเกิดปัญญาปัญญาขั้นฟังแล้วก็ปัญญาขั้นคิดกินตามะยะปัญญาปัญญาคือความรอบรู้แต่ปัญญาโดยธรรมนั้นคือรอบรู้ในกองสังขารท่านไม่ได้ไปหมายถึงรอบรู้อย่างอื่นข้างนอกท่านหมายถึงรอบรู้ในกองสังขารกองสังขารอะไรบ้างกองสังขารรูปธรรมคือร่างกายอยันนี้ กองสังขารนามธรรมคือใจอันนี้อสองสังขานี่แหละกายใจนี่แหละเป็นสังขารเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเป็นสังขารรอบรู้ในกองสังขารถ้าเราไม่รอบรู้แล้วเป็นยังไงถ้าเราไม่รอบรู้เราก็ลุ่มหลงมันอย่างที่เราลุ่มหลงกายนั่นแหละมันลุ่มหลงยังไงเราก็ลุ่มหลงดูเถอะลุ่มหลงกายตัวเองแล้วดูดิลุ่มหลงยังไงบ้าง รุ่มหลงกายทั้งๆที่อยู่ด้วยกันแท้ๆน่ะยังลุ่มหลงมันน่ะลุ่มหลงกายนี่คือความลุ่มหลงถ้าเราไม่ไม่พิจารณามันก็ลุ่มหลงถ้าเราไม่ศึกษามันก็รุ่มหลงถ้าเราไม่พิจารณามันก็ลุ่มหลงลุ่มหลงกายรลุ่มหลงกายก็ยึดกายยึดกายก็ลุ่มหลงกายลุ่มหลงกายก็ยึดกายลุ่มหลงจิตมันไม่รู้สังขารน้องจิต เืออะไรเป็นอะไรอะไรคือเหตุคือปัจจัยของจิตออะไรคือจิตอะไรคือเจตสิกไม่รู้เรื่องเจตสิกนี่เป็นภาษาพิธรรมเจตสิกก็คือคุณธรรมที่เกิดขึ้นที่จิตท่าเรียกว่าเจตสิกเจตสิกเกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นพร้อมกับจิตตั้งอยู่พร้อมกับจิตดับไปพร้อมกับจิตท่าเรียกว่าเจตสิก เช่นอย่างสติความระลึกได้เนี่ยเป็นเจตสิกรธรรมแท้จริงก็คือจิตนั่นแหละแต่มันเป็นจิตที่มันชัดด้วยเหตุที่เรามีสติมีสัมผชัญญาก็เลยเกิดชัดในอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยชัดอย่างเดียวชัดเรื่องเดียวชัดสิ่งเดียวชัด จิตไม่ได้แบ่งแยกไปที่อื่นจิตรวมพลังลงมาทั้งหมดกับอารมณ์เดียวเรื่องเดียวนี่เป็นสติทำให้จิตดวงนั้นเนี่ยรับรู้อะไรชัดเจนขึ้นมาเพราะฉะนั้นอันนี้แหละจึงเป็นอุปการะในการเอามาภาวนาเอามากากับใจปกติใจมันนึกคิดเรื่อยเปื่อยไป ล, ละแต่ถ้าขาดสติขาดสติก็คือขาดความดำริขึ้นในตัวเอง ขาดความระลึกรู้ในตัวเองขาดความรู้ตัวของตัวเองสติกับสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือรู้ตัวรู้ตัวว่ายืนรู้ตัวว่าเดินรู้ตัวว่านั่งรู้ตัวว่านอนดื่มทำพูดคิดและที่สาคัญที่สุดรู้ตัวว่าผิดรู้ตัวว่าถูกนี่นะสัมปชัญญะนะรู้ว่า เป็นธรรมรู้ว่าไม่เป็นธรรมรู้ว่าเป็นกิเลสรู้ว่าเป็นธรรมรู้ว่าผิดรู้ว่าถูกรู้ว่าชอบรู้ว่าชั่วรู้ว่าดีนี่คือสัมปชัญญะนะนะมันจะไม่ใช่รู้สัตว์ว่ารู้เฉยๆสติสติก็คือจับระลึกได้ยับขึ้นมาแยบขึ้นมาแล้วก็ดับไปละยบขึ้นมาแล้วก็ดับไปละ ยับขึ้นมาแล้วสัมปชัญญะในประคองเราทดสอบดูที่ตัวของเราก็ได้เราเป็นนักภาวนายอยู่แล้วก็ทดสอบดูเราจะนั่งตอนนี้เราก็ทดสอบได้เราจะเดินเราก็ทดสอบได้เราจะทำอะไรเราก็ทดสอบได้สติเป็นยังไงสัมปชัญญะอยู่ในเนื้อในตัวของเราเป็นยังไงสติยับขึ้นมายับขึ้นมา คือจิตจิตมันรับอารมณ์รับแยับขึ้นมามันชัดชัดเจนขึ้นมาแล้วก็แยับขณะนั้นก็ดับไปดับไปแล้วก็ตัวสัมปชัญญะประคองมาถ้าเราไม่ประคองมามาดูมาพิจารณานี่มันจะทําให้เราเห็นแจ่มแจ้งได้ยังไงเพียงแต่แยับมาแล้วก็ดับไปแยับมาแล้วก็ดับไปเราไม่ได้จับมาพิจารณา เราจะได้รับความรอบรู้ได้ยังไงสังขารเป็นยังไงเป็นยังไงยาบละเอียดยังไงอะไรยังไงเราจะรู้ได้ยังไงนี่ตรงนี้สําคัญอยู่นะอืมไม่ใช่ว่าเราคอยรับแต่แยบเยบหายไปเยบหายไปเยบหายไปแยบแล้วเราเอาไม่เอามาพิจารณาเราจะรู้ว่าอะไรผิดชอบชั่วดีไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก เพราะฉันต้องประคองมามานึกมาคิดมาพิจารณามาใคร่ครวนมาดูส่วนละเอียดของมันก็ไปอีกอารมณ์ทั้งหลายไม่ใช่เราปล่อยให้มันยับละหายไปยับละหายไปยับละหายไปโดยที่เราไม่ไม่ตามไม่ตามพิจารณาไม่งั้นความรุ่มหลงมันจะหมดได้ยังไงความรุ่มหลงมันไม่หมดมันต้องซักต้องฟอกต้องชะต้องล้างต้องขัดต้องขูดทิ้งไปทั้งหมด ไม่งั้นมันไม่สะอาดะมันไม่เกลี้ยงเกลามันยังตกยังค้างยังอะไรอะไรอยู่เพราะฉะนั้นต้องเอามามาขูดมาขัดมาแผ่เผาด้วยตปะธรรมนี่แหละตปธรรมก็คืออะไรคือสติสัมปชัญญะนี่แหละคือปัญญาไข้ครวนไตรตรองไปตามต่อเนื่องดูสังขารปัญญารอบรู้ในกองสังขารภาวนาเมยะปัญญา ปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาภาวนาแปลวา่าทำจนมีทำจนเป็นภาวนาภาวนาทำจนมีทำจนเป็นทำบ่อยๆครั้งทำจนมีทำจนเป็นท่านเรียกว่าภาวนาภาวนาภาวนาเมยะปัญญาปัญญาสำเร็จได้ด้วยการภาวนา ภาวนามยะปัญญานี่เราพูดถึงพื้นๆธรรมดาแต่ปัญญาภาวนามยะปัญญาของลองตาขั้นอัตโนมัติอะน น, นมันเป็นธรรมะเบื้องสูงขึ้นไปอีกละเอียดขึ้นไปอีกเป็นธรรมะที่ละเอียดสูงขึ้นไปอีกนี่เราพูดถึงปัญญาเกิดขึ้นจากการที่เราภาวนาพวกเรานั้นตั้งไขลล่ล้มลุกคลุคลานอยู่เนี่ยให้เราตั้งหลักตรงนี้ให้ได้เข้าใจตรงนี้ให้ได้ ปัญญาปัญญาเป็นแสงสว่างของใจมีปัญญาที่ใจดับสามารถดับความรุ่มหลงได้ดับโมหะคือความรุ่มหลงภายในใจได้พวกเราประกอบอะไรทุกอย่างก็พยายามตะล่อมมาที่ศีลที่สมาธิที่ปัญญานี่แหละเป็นเหตุให้เกิดบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นเหตุให้เกิดบุญอันใหญ่หลวง เห็นเหตุเห็นผลเห็นปัจจัยของบุญของบาปของกรรมแล้วก็เลือกทําแต่สิ่งที่ดีที่งามที่ถูกที่ชอบมีสติมีสัมปชัญญะะเมื่อกี้สัมปชัญญะไม่ใช่ว่าสัมปชัญญะรู้ตัวไม่ใช่สักดิ์สวทธรู้ตัวเฉยๆรู้ว่าผิดรู้ว่าถูกรู้ว่าบุญรู้ว่าบาปเนี่ยสัมปชัญญะนี่สําคัญนะ รู้ว่ายืนรู้ว่าเดินรู้ว่านั่งรู้ว่านอนที่สําคัญรู้ว่าผิดทําผิดศีลผิดธรรมทาถูกตรงตามเป้าตรงศีลตรงธรรมรู้ผิดรู้ถูกรู้บาตรู้บุญสามัญญารู้หมดนะรู้ว่าควรหรือไม่ควรรู้ว่าเหมาะหรือไม่เหมาะโู้ละเอียดนะตัวสามัญัญญาเนี่ยละเอียด บางครั้งเราก็ตั้งสมัมปชัญญะขึ้นมาแล้กักู้สตนะิตั้งสมัมปชัญญะขึ้นมากัรู้สติรู้ตัวรู้สติรู้ว่าระลึกได้รู้ว่าได้ยินรู้ว่าได้เห็นรู้ว่าได้กลิน่น ร, รู้ยังไงเห็นยังไงมีสมัมปชัญญะกำกับบางทีสติระลึกได้ คือระลึกได้มันเป็นการเปลี่ยนขณะเปลี่ยนขณะของจิตมันเปลี่ยนปั๊บมันเปลี่ยนไปจับอารมณ์มันมันปล่อยจากอารมณ์หนึ่งมันมันไปจับอีอารมณ์หนึ่งปล่อยจากอารมณ์หนึ่งมันไปจับอีกอารมณ์หนึ่งปล่อยจากอารมณ์หนึ่งมันไปจับอีกอารมณ์หนึ่งวิสัยของจิตมันเป็นอย่างนี้ในขณะที่มันปล่อยจากอารมณ์หนึ่งนี่อารมณ์นั้นก็ถือว่าดับไป อารมณ์ใหม่ก็เกิดขึ้นเวลาไปจับอารมณ์ม่อารมณ์เก่าก็ดับไปอารมณ์ใหม่เกิดขึ้นก็เลยเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นเลยอันนั้นเป็นสภาวะธรรมเป็นสภาวะธรรมที่เราสัมผัสสัมผันสระหว่างรูปธรรมกับนามธรรมยกตัวอย่างเช่นตาเราเห็นรูปตาอายตนะภายในรูปอายตนะภายนอกพอเห็นปั๊บเนี่ย อาศัยกิจมีอยู่ภายในเนี่ยเห็นเห็นภาพเกิดระลึกได้ระลึกได้เป็นจักขูจักขู่วิญญาณแต่และอย่างก็ดับไปแล้วสองช่วงสามช่วงมก็ดับไปแล้วสองช่วงสามช่วงมก็ดับไปแล้วดับไปแล้วทีนี้มันมีอย่างอื่นต่อกันไปอีกมันไม่มีจุดจบจบอันนี้นจับอันนั้นจบอันนี้จับอันนั้นจบอันนี้จับอันนั้นมันจับต่อไปอยู่เรื่อยๆอยู่อย่างนี้ นี่เป็นหลักสภาวธรรมมันมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้แต่เรื่องของตัณหาที่มันมีอยู่ที่ใจและมันวิ่งมาเกาะ อ, อารมณ์อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งดูดูให้เข้าใจดูให้เข้าใจฟังให้เข้าใจตัวนี้มันเป็นตัวกนเป็นตัวบายเป็นตัวมายามันเป็นสัจะธรรมที่ไม่มีตัวไม่มีตนเพราะฉะนั้นเวลาท่านจำระ ไปชำระไปชำระไปชำระชำระชำระชำรไัไหมดหายไปเลยหายไปเลยเมื่อถูกลบเลือนจางหายไปหมดหายไปในอากาศมันเป็นกลมันเป็นอุบายมันเป็นมายาของจิตอย่างหนึ่งชนิดหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแต่สามารถชำระหมดไปได้สิ้นไปได้ตัวนี้แหละเป็นเจ้ากี่เจ้าการทุกสิ่งทุกอย่างสารพัดน่ย เราดูเถอะจิตเราออกแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยตัวนี้แหละจะเป็นตัวตัวนําตัวตัณหาเนี่แหละเป็นตัวนําดูให้เห็นก็แล้วกัน่ะดูให้เห็นพอเราพอเราเริ่มดูให้เห็นน่ยเราเราจะเริ่มเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้น เ, เราจะเราจะได้รู้หน้ารู้ตาของศัตรูไม่งั้นเราหลงกอดศัตรูว่าเป็นมิตรเป็นมหามิตร แท้จริงมหาศัตรูแต่มหาศัตรูตัวนี้มันละเอียดแยบยนต์มันะมันไม่มีตัวไม่มีตนมันเป็นกนเป็นอุบายเป็นมายาของผู้รู้ของใจเองอ่ะพราะฉะเวลาชำระไปชำระไปขัดไปกล่าวไปกลาไปหายหมดไปเลยผู้รู้ผู้รู้ไม่หายผู้รู้ยังอยู่ ผ, ยยผู้รู้ยังอยู่ร่างกายยังอยู่ อภาพร่างกายยังอยู่สมมติตายไปแล้วเอาไปเผาร่างกายก็ไปเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟผู้รู้ก็ยังอยู่ในโลกไม่ดับไปจากโลกนะผู้รู้นี่ไม่ดับไปจากโลกผู้รู้คือจิตคือธาตรู้ของเราแต่ละคนแต่ละคน่ะไม่สูญไปจากโลกอผู้รู้ไม่สูญไปจากโลกแต่เป็นผู้รู้ที่บริสุทธิ์ถาหากชราระหมดจดแล้วเหมือนเหมือนผู้รู้ของพระาศาสดาท่านไม่ได้ไปไหน ท, ท่านก็อยู่ในโลกนี่แหละถ้าเราปฏิบัติให้เห็นธรรมท่านก็อยู่กับเรานี่แหละอไม่งั้นเราจะมากล่าวนะอี่ปิโพราควาสวากาโตสุปฏิปันโนเนะี่ยมันจะมันจะเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรท่านยังอยู่กับโลกเรานี่แหละผู้รู้ไม่สูญไปจากโลกนี่มันเข้ากับเราวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ถือว่าทุกอย่างไม่สูญไปจากโลก แต่มันเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนสภาพของตัวเองเท่านั้นเองดินน้ำลมไฟซึ่งเป็นรู ป, ปรธรรมของเราไม่สูญไปจากโลกเผาแล้วก็กลายเป็นขี้เถ้าคี้ท่านดินเหือดแห้งไปเป็นดินน้ำก็เหือดแห้งไปเป็นน้ำลมก็ไปเป็นลมเป็นธรรมชาติของลมไฟก็เป็นไปเป็นไฟเป็นธรรมชาติของไฟธาตุไฟธาตุไฟมันสิงอยู่ไปทั่วๆไปแต่สัตว์ธาตุไฟมันสิงอยู่ในเหล็กสิงสิงอยู่ในหินน่ะ เราเอาเอาเหล็กกระห็นมาสีกันดูชักเดี๋ยวนี้ก็ประกายไฟขึ้นทันทีชักเราเอาไม้กับไม้มาสีกันอนะ่ะสีเกิดความร้อนขึ้นมาให้นะธาตุไฟมันสิงอยู่ไปทั่วนะธาตุไฟแต่อย่างเราเห็นเทียนติดอยู่ขณะ น, นี้ตอนนี้อันนี้คือไฟมันกินเชือ้อคืออันนี้คือไฟมันกินเชือ้อคือความร้อน แต่ภาษาพิธามท่านว่าไฟมองไม่เห็นไฟมองไม่เห็นไฟคือความร้อนมองไม่เห็นนะเราพูดแบบภาษาตลกแล้วว่าไอ้สิ่งที่เรามองเห็นเดี๋ยวนี้ว่าไม่ใช่ไฟเนี่ที่เรามองเห็นเนเนี่ยไม่ใช่ไฟแต่สิ่งที่เป็นไฟเรามองไม่เห็นทําไมเราจะรู้ว่ามีไฟเราต้องเอาเร า, เราต้องเอามือไปแย่ลองอมือไปแย่ดู เมามนั่นแหละนั่นแหละไฟอะอันนั้น <c oughs> นั่นแหละไฟไฟพอเวลาไฟมันทำงานก็รู้สินะเกิดเปลวเกิดสีเกิดควันเกิดอะไรตัว อ, อะไรเนี่ยกินน้ำมันไปด้วยนี่คือสภาวธรรมมันเป็นไปตามกลไกของมันมันไม่มีอะไรขงที่เสยอย่างใ น, ในเปลวเทียนเราดูสิ ในไส้เทียนในน้ํามันเทียนในเปลวเทียนะมันไม่มีอะไรของที่หรือย่างะมันดูดกินน้ำมันท่านบอกว่าอน้ำมันหมดไปไส้หมดไปอน้ํามันหมดไปไส้หมดไปพอกินน้ํามันจนหมดพอน้ำมันมอดไส้มอดมันก็หมดมันหมดที่กินหมดเรื่องกินหมดเชื้อกินไฟมันหมดเชื้อกินมันก็ดับเองไฟมอดแต่ถ้าไม่มี ถ้าทำไมหมดมีเชื้อเท่าไหร่เมื่อกินยิ่งเอาไปใส้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งกินมากขนาดนั้นน่ะมีถัดไปมีอยู่ในโลกไม่สูญไปจากโลกถ้ารู้คูรู้จิตใจไม่สูญไปจากโลกจิตของพระอรหันต์ไม่สูญไปจากโล ก, โโโ ก, โลก อ, อาามืมอย่างหลวงตาท่านยกมาเทศเรื่อยๆตอนพระพุทธเจ้าท่านจะปรินิพานเนะี่ยท่านเข้าปฐมฌาน ฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่อารูปไปฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เราไปประทับอยู่ที่สัญญาเวทที่ตานิโรธเวลาประทับฌานเนี่ยชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามแต่ละชั้นแต่ละชั้นนีจะเห็นเพราะว่าฌานนั้นเป็นสมมุติหลวงตาท่านพูดนี่ยชัดเจนเราฟังแล้วเข้าใจจับใจเพราะฌานแต่ละชั้นละชั้นเป็นสมมติฌานที่หนึ่งก็สมมติที่สองก็สมมติที่สามก็สมมติ อรูปฌานก็เป็นสมมุติถ้าเราจะว่าไปแล้วฌานก็คือคุณสมบัติของใจไม่ใช่ตัวใจแต่เป็นคุณสมบัติของใจเวลาไปไปทรงฌานก็มองเห็นพระอนุรุทธะมองเห็นพอไปประทับที่สัญญาเวทียิยนิโรธ ท่านก็รู้ว่าประทับอยู่ที่สัญญาเวทีไตรรุจดับหมดเหมือนคนตายอ่ะเหมือนคนตายแล้วเหมือนปณิาพ า, <c oughs> านแล้วแล้วท่านก็ยกถอยลงมาถอยลงมาอารูปฌานถอยลงมารูปฌานแล้วก็ถอยมาอยู่จิตปกติธรรมดาแล้วเข้าไปอีกฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามระหว่างระหว่างฌานที่หนึ่งกับที่สองกับที่สามนี่มองไม่เห็นนะเห็นแต่ตอนอยู่ในฌาน นท่านก็ออกจากฌานที่สี่ออกจากฌานที่สี่เสร็จแล้วท่านไม่เข้าฌานอรูปฌานรูปไปฌานท่านก็ออกไปแล้วอรูปไปฌานท่านท่านก็ไม่เข้าก็เลยมองไม่เห็นนั่นแหะคือผู้รู้นั่นแหะผู้รู้แล้วแล้วศูนไปไหนไม่ศูนคือท่านไม่เข้ารูปไปฌานเราก็ไม่เห็นท่านไม่เข้าอรูปไปฌานเราเราก็ไม่เห็นทีนี้ท่านกับ ปัริณิพานแล้วคือดับรอบจิตท่านก็ไปแล้วสังขารของท่านก็นดับแล้วลมก็หมดแล้วนี่นี่เราฟังอันนี้เป็นข้อประมาทเป็นข้อเปรียบเทียบทาให้เราเกิดภาพพจน์ในการที่เราจะตั้งอกตั้งใจเพื่อจะมาขัดกล่าวจิตของเราให้เกิดความบริสุทธิ์เหมือนท่าน มันดา ก, เกิเลสทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นสิ่งที่เคลือบแฝงมากับผู้รู้กับธาตุรู้มันเป็นพิษเป็นภยัยเป็นโทษโทษของมันคืออะไรโทษของมันเวลามันแสดงออกมากคือโลภคือโกรธคือหลงดูที่คนโลภตาดำตาแดงคนโกรธตาดำตาแดงคนลุ่มหลงชื่จนเถียงชื่จนตาดำตาแดงโลภโกรธหลงหลงเพลินหลงเพลินไปกับทุกสิ่งทุกอย่างอืม หลงเพลินหลงเพลินไปกับวัตตาสงสารหลงเพลินไปอย่างไม่จบไม่สิ้นมันหลงหยืดยาวท่า น, นเรียก ว, ว่าหลงเพลินนี่เป็นพิษเป็นสงที่ที่เคลือบแฝงมากับผู้รู้รู้ที่เจ้าท่านชำระก่อนพวกเราแล้วก็บริสุทธิพุโทโธไปได้สอนพวกเราให้ชำระเหมือนพระองค์ก็บริสุทธิ์พุโทโธไปได้อืม พาวกพระอริยสาวกทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านพ้นไปแล้วท่านจะเจริญรอยตามพระาศาสนาทั้งกับพ้นไปได้พราะเราก็ตะเกียกตะกายอดตาหรับขับตอนนอนเอาอดนอนก็เอาพ่น อ, อาหารก็เอาถู ด, ดงอะไรอะไรก็เอายังไงจะได้เอาหมดมนี่คือการช่วยเหลือตัวเองคนช่วยเหลือตัวเองเท่านั้นแหละที่จะประสบผลสำเร็จ คนที่ไม่ช่วยเหลือตัวเองไม่มีผลสำเร็จ อ, อะไรสักอย่างก็ <c oughs> งไม่สำเร็จวันนี้พอสมควรแก่เวลาแล้ะแล้วพวกเราเลิกไปเดินยังกลมบ้างนั่งภาวนาบ้างตามความตั้ง อ, อกตั้งใจตามความพอใจชอบใจนะออาไป